อยากให้หนูตาอธิบายซึ่งมันดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าหนูอยากทราบความแตกต่างระหว่างอาวิชชาอากุศลกิเลส มันเหมือนมันไม่ดีหมดเลยสามคำเนี้ยแล้วมันต่างกันตรงไหนนีอ่อวิชามันก็คือหลงว่าเนี่ยในร่างกายขันหน้าเนี้ยร่างกายเราเนี่ยขันหน้าคือร่างกายเราที่พูดจ่อยจ่อยจ่อยจอเนี่ยที่มีความรู้สึกในคิอารมณ์ที่พูดได้จ่อยจ่อย่อยจเนี่ยว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเราที่แท้จริงเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงไอเนี้ยมันก็คือไปไปยึดผิดตัว เลยเรียกว่าอาวิชาเอาวิชาคือมันยึดติดต mm. right. right ัวมันยึดเอาไอ้ตัวเราที่มันเกิดออกในชาติเนี้ยที่มันพูดได้ใจใจใจจ่อยเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวเราแต่แท้จริงเนี่ยก่อนจะมาเกิดเป็นตัวเรามันมีกตัวหนึ่งลอยมามันมีตัวหนึ่งมาเกิดมาเข้ามาไอ้ตัวนี้มันมาที่หลังนะไอ้ตัวที่มันพูดใจใจจ่อยเนี่ยมันเกิดที่หลังแต่แท้จริงเราจะแท้จริงคือวิญญาณนู้นน่ะวิญญาณวิญญาณที่ลองลอยมานั่นแหละ แต่วิญญาณเนี่ยมันมีแต่ความรู้มันเป็นปความบ้างเปล่ามีแต่ความรู้คือใจอ่ะนะใจหรือวิญญาณมันที่มันจะความบ้างปล่มีแต่ความรู้อันนี้คือเราแต่แต่แต่เรายึดเอาไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ขันหน้าเป็นเราเป็นตัวเราหรือตัวตนของเราหรือมีตัวเราเป็นตัวเป็นตนอยู่ในในไอ้ขันหน้านี้เอาไอ้ตัวที่มีความรู้สึกม่คิดอารมณ์ได้ตัวที่แสดงกิยาการได้ตัวที่แอคชั่นได้เป็นตัวเราพูดง่ายปิดตัวเอาแต่แท้จริงคือใจที่แสดงกิยาการไม่ได้มีแต่มีความรู้ ที่ว่าผูรู้พูดไม่ได้ผูรู้คิดไม่ได้ผูคิดไม่รู้ผู้รู้ rocket, ไม่คิดนั่นแหละนั่นคือแ ท, แ ท, แท้ๆได้แต่รู้นี่คือในี่พอหลงผิดตัวมันก็เป็นดาวิชายึะนี่พอเราเยึดเงี้ยพอเราไปเกิดในชาติใหม่เราเป็นงูเราบอกว่างูเนี่ยเราน่าเกลียดมากเลยมันน่าเกลียดแต่พอเราไปเกิดเปงูเนี่ยเราบอกไอ้งูเนี่ยเป็นตัวเราเลยแล้วลเราก็ลืมเราก็ลืมไปเลยว่าก่อนเราเป็นงูเราเป็นอะไรมาเนี่ยนั้นแท้จริงเราไม่ใช่งูนะั้นก่อนเป็นงูเรามาจากไหน แล้วต้องอยู่ในล่างงูแล้วเราคือไข่พองูตายแล้วเราออกไปไหนแต่เนี่ยแต่พอเรามาเป็นงูเราเยอดในงูเป็นตัวเราแล้วก็เอาเราก็ไปตุ่พอเป็นงูตัวเมียเราก็บอกว่าไอ้งูตัวผู้สวยหล่อไปพอเราเป็นงูตัวผู้เราก็บอกไอ้ไ ง, งู ต, วงตัวงงตเมียหลอ่อเว้ยงูตัวเมียสวยเว้ยเราก็อยากไปไปไปผสมพันธ์กับเขามันก็จะยึดทัตัวเราแล้วยึดทตัวเขาด้วยมันจะเป็นอย่างงี้ทุกชาติไปพอเราไปเกิดเป็นหมาไอหมาตัวนี้เป็นตัวเราเว้ยแล้วเราก็ ก็ไปเจอพอมาเป็นหมาตัวผู้มันก็ ต, ตัวเมียหมาตัวเมียสวยเว้ยพอพไปเกิดเป็นหมาตัวเมียแม่มาตัวผู้หรอกเดยกก็ไปผสมพันธุ์กันมีลูกวีหานเต็มไปหมดเราก็จะหลงอย่างเงี้ยผสมพันธุ์กันแล้วสร้างลูกสร้างหลานไปเนี่ยกินขี้พี่นอนหาอยู่หากินกินขี้ปี่นอนหาอยู่หากินเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยทุกชาติไม่ไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเราก็เป็นอยู่ในมนุษย์ตั้งหลายก็เป็นแบบเดียวกันส่วนใหญ่ก็คือกินขี้ปี่นอนหาอยู่หากินออกไปหาเงินมาเลี้ยงดูเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว ชีวิตไม่ได้แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็กินขี้ปี้นอนเสร็จแล้วก็เอาไปหาเหยื่อมาไปหาอยู่หกินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วตัวก็กินชีวิตอยู่แค่นี้แนี่ก็คือเนี่ยไปเกิดก็ไปตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็วนมาเกิดเป็นคนแล้วก็มีชีวิตไปอยู่เหมือนสัตว์เดรัจฉานแล้วไปตายแล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบนี้แนี่แต่ถ้ามีเลวร้ายมากกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นเปรตเป็นสารสุรกายเป็นสัตว์นรกเพราะเราไม่ได้มีมีชีตต่่ีแกกาางจน้ แต่พอเรา เ, เาเป็นมาเป็นมาเป็นมนุษย์ปุ๊บเราให้ทานรักษาศีลภาวนาเอาตอนนี้มันเลยเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสวรรค์เราจะเตายตายไปก็ไปสวรรค์ไม่ไม่มายว่าชีวิตควาไปอยู่ในชีวิตประจําวันมันต่างจากสัตว์เดรัจฉานตายเราไปเกิดเป็นเป็นไปสวรรค์แต่ไปสวรรค์เขาไปยึดเอาไอ้ร่างที่ไปเกิดในสวรรค์ไปร่างเราอีกมันลืมไปเลยว่าเออเราก่อนมาเกิดเป็นในตัวเทวดาเนี่ยเป็นอะไรวะมาจากไหนเนี่ยเรามาเกิดแล้วไอ้ตัวเป็นเทวดาเนี่ยเป็นตัวใครตายจากเทวดาแล้วไปไหน นันไอตัวเราไม่ได้เป็นตัวไอ้นั้นจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันเข้ามาแล้วมันออกไปแต่ตัวนั้นจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ไอตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวตัวนี้ก็ตายแล้วเน่าแล้วก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้ตอบไม่ได้แต่เอ้าก่อนมาเป็นตัวนี้มันมาเป็นใครวะมาจากไหนแล้วไอตัวเนี้ยตอนอยู่ในเนี้ยมันเป็นใครมันมันอยู่ตรงไหนแล้วตายแล้วไอตัวเราไปไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นความไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายเนี่ยเขาเลยเรียกว่าอวิชาอัน ที่มหนังนะที่มันหนังจะ ม, มาเอามาฉายเรื่องอะไรเนี่ยที่ว่าไอ้พระเอกที่พระเอกอะ่ะที่พระเอตกตกต้นไม้มาแล้วก็ออมาอยู่ในเมืองในหมอกแล้วก็ดีพระนั่งกุมโปรงอยู่แล้วก็ถามว่าเออนี่หลงมาในเมืองไหนเนี่ยเอ๊แล้วทํานเป็นใครเอ่อเราคือเจ้าสิเราคือเจ้าเอ๊ะทำไมม า, มาพูดอย่างนี้วะ เจ้าเนี่ยไม่รู้จักตัวเจ้าเราเนี่ยคือเจ้าเราเลยรู้เรื่องของเจ้าทั้งหมดอ่ะเอ้ยวามาพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ ย, เ, ยเจ้าเนี่ยแหละไม่รู้จักตัวเจ้าเราเนี่ยคือเจ้าเราเลยรู้จักเจ้าทั้งหมดเลยอันเนี่ยถ้าเรามาพี่นาะดีๆ ด, ดิเวลาเราไปอยู่ในที่มันรับตาคนใช่ไหมเราเราก็ไปแอบคิดอะไร แอบคิดในทางกุศลอกุศลนะไม่คิดเรื่องาศลนะแอบคิดทางอาเศ ล, ะลอะไรกับใครเงี้ยเราเราพิจารณยดีดิไอตัวที่คิดอยู่นั่นแหลแอบคิดทางกุศลเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเราบอไม่มีใครรู้เราไปแอบคิดอะไรกับใครไม่ดีเงยคิดเงี้ไม่มีใครรู้หรอกมันมีคนรู้อยู่คนนึงใช่หมใครเห็นไหมเรา บ, บอกแล้ว พอถามพอดีจริงบอกว่าใครเป็นคนรู้ตัวเราครรู้อ่าทําไมเรามาไว้ตัวรู้เป็นตัวเราอ่ะทําไมไม่เอาไว้ตัวคิดเป็นตัวเราอ่ะทําไมพอพอถามว่าใครเป็นคนรู้ว่าตัวเรากําลังแอบคิดอยู่อ่าทําไมท่านถึงบอกว่าก็เราสิรู้อ่าทําไมเรเอาตัวรู้เป็นตัวเราทําไมท่านไม่บอกไว้ตัวคิดเป็นตัวเราท้านพี่นาดูให้ดีนะเแ็จแล้วถ้านก็หลงอีก เรืองเอาไว้ตัวรู้เป็นตัวเราเอาไอ้ตัวคิดเป็นตัวเราเรื่อยไปเสร็จแล้วพอมันมีสติขึ้นมาพีรนายดีๆเอาเฮ้ยขณะมันแอบคิดในที่ลับๆนะแอบทําอะไรในที่ลับๆเฮ้ยม่มีใครรู้หรอกไม่รู้ได้ไงวะมันมีคนรู้ไว้ก็คือเราแต่รู้อ้าวเอาไว้ตัวรู้เป็นตัวเราอีกแล้วแต่เพอเพอเอาไอ้ไอ้ตัวที่คิดพูดทําเนี่ยเป็นตัวเราอีกแล้วเราจะผิดหลงนี้เรื่อยไปฮะจนกว่าเราจะเออร้อยเปอร์เซ็นไอ้ตัวรู้เป็นตัวเราสักทีไม่ใช่ไอ้ตัวที่ถูกรู้เป็นตัวเรา แน่ๆเวลาตายแล้วเนี่ยมือนจิเจอเลิกไปเกิดเป็นอะไรให้เป็นตัวถูกรู้เลยไปเลิกลายเป็นรู้เลยเป็นเป็นรู้เป็นรู้ที่เป็นพุทธะหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแต่ตอนนี้มันหลงไปในวิชามันเอไอ้ตัวที่ถูกรู้เป็นตัวเราเรื่อยไปแต่ข้ามีสติปัญญาสมาถามันจริงว่าเองเป็นใครวะมารู้ค่าตลอดเลยอค่าคือเจ้าที่เป็นหนังหนังมั่นฉายข้าเนี่ยคือเจ้าเขาเลยรู้เจ้าตลอดไงอือ เพราะเราไม่ร um. yes, ู้จ yes, yani, ักตัวเราเนี่ยเลยเป็นอวิชชาใครว่ามารู้ตัวเราตลอดพกันอาจารย์ถามว่าตองตาถามว่าใครมารู้ตัวเราเราไปแอบคิดไหมแต่แอบคิดในที่ลับที่แจงไปแอบทําอะไรที่ลับที่แจไม่มีใครรู้มันไม่ีใครรู้เฮ้ยอย่าเลยไม่มีคนรู้ใครรู้ล่ะเราที่รู้อนั้นเนี่ยเอาไอ้รู้เป็นเราแล้วแต่นี่เห็นไหมเอาไอ้รู้ตัวเราแต่เอาไอ้ตัวที่แอบคิดแอบพูดแอบทําเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ตัวเราเห็นไมเพราั้นเราที่แท้จริงเนี่ยคือผู้ที่รู้ตัวเรา นั่นแน่คือเราดั้งเดิมแท้ๆเลยและเราอันเนี้ยไม่มีวันไม่มีวันแตกดับไม่มีวันตายไม่มีอาวุธใดๆในโลกมาฆ่าตัวที่รู้ตัวเราได้เราเนี่ยที่มรรู้ตัวเราเนี่ยท่านว่าไม่มีอาวุธใดๆในโลกมาฆ่าตัวเราได้และนิพพานก umm! like ็ฆ่าตัวเรานั้นไม่ตายนิพพานฆ่าได้แต่ความทุกข์ฆ่าได้แต่กิเลสแต่ฆ่าเราที่มารู้ตัวเราไม่ได้ เราที่มารู้ตัวเรานั่นแหละมันไปจากไปด้วยความิ้นทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราที่ถูกรู้ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์เวลาใครทุกข์เหรอไอ้ตัวเราที่ถูกรู้นี่เป็นตัวทุกข์นแล้วใครมารู้ว่าเราทุกข์แล้วเนี่ยใครมารู้ว่าเราทุกข์เวลาทุกข์ใครมารู้ว่าเราทุกข์เหอจาว่าใครมารู้ว่าเราทุกข์เนาะเอามคตอบหม่เวลาเราทุกข์มารู้ว่าใครมาทุกข์คานค่ะ ไม่ใช่ลใครมารู้ว่าเราใครมารู้ว่าเราทุกข์เลยก็ตัวเราเองก็ตัวเราเห็นไหมเพราั้นถามอะไรไปอ่ะตัวรู้เนี่ยคือตัวเราก็ตัวเราเป็นคนรู้ว่าตัวเราทุกข์แต่ไอตัวทุกข์เนี่ยมันใช่ตัวเราไหมเออไอตัวไอตัวทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวถูกรู้คือไอตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยใครว่ามารู้ว่ากูทุกข์ไอใครว่ามารู้กูทุกขก็ตัวเราอะรู้อ้าวไอตัวเราเนี่ยเป็นตัวรู้แต่พอเราทุกข์เราบอกตัวเราทุกข์แค่ เราไปเอาไอ้ตัวรู้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราแต่พอตัวเราสุขใครเป็นรู้ตัวเราสุขวะอ่าก็เราสิเป็นคนรู้อันนี้เราเอาตัวรู้มันเป็นตัวเราไอ้ตัวสุกอะมันจึงตายแตกดับไอ้ตัวสุกตัวทุกข์อะตายแตกดับแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยไม่ดับเพราะว่าอะไรเหตุใดมันไม่ดับรู้ไหมเพราะมันไม่มีตัวขันบอกว่าใครว่ามารู้ตัวเราตลอดเลยแอบคิดอะไรก็รู้เราสุกก็รู้เราทุกข์ก็รู้ มึงกันดิเป็นคนรู้ตัวมึงเองไะแล้วมึงอยู่ไหนล่ะ <l acht> <l acht> เราเนะี่ยอยู่ที่ไหนเราแท้จริงที่มันรู้ตัวเราเนะี่ยไอ้ที่มันรู้ตัวเราอยู่ไหนแเราเองอยู่ไหนเราเนี่ย <l acht> <l acht> ถึงรู้ข่าวไปหมดเลยตลอดเวลาเนี่ยไ <l acht> <l acht> ม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ก็ใครไปทําอะไรเองรู้ข่าวไปหมดเลยเนี่ยแล้วเองลราอยู่ที่ไหนเนี่ยอือหาไม่หาเจอไห <l acht> มหาไม่เจอหรอกเราถามหมอผ่า <l acht> ตัดหลายคนฮผ่ามเจอผ่ามันไม่เจอแต่แต่เจอไอ้ตัวเจอแต่ว่าตัวเราไม่ถูกรู้ที่โดนผ่า แต่ตัวนั้นเราไม่ไม่รู้ไม่เจอมาหรอกผ่านอะไรก็ไม่เจอมันนั่นแหละไอ้ตัวนั้นอ่ะจึงไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยทํำลายมันเป็นตัวเราอ่ะมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันและอนาคตตการไม่เป็นอมตะไม่วันเกิดไม่วันแตกดับไม่ทําลายอุตเตเดในโลกก็ฆ่าไม่ตายเพราะมันไม่มีตัวมันจึงไม่เคยเกิดไม่เคยดับนิพพานก็ฆ่ามันไม่ตายนิพพานฆ่าได้แต่ความอวิชชาคือความที่หลง เป็นทุกสิ้นกิเลสวิญญานวิญญานฆ่าได้แต่เพราะเอาวิชาแต่ฆ่าผู้รู้ไม่ได้ฆ่าผู้รู้ตัวเราไม่ได้เพราะนั่นแหละเราแท้จริงเรามันถามเรื่อยๆเวลาเราทุกข์เราเครียดเรามีความคิดนมงใครว่ารู้ตัวเรากเราติารู้ตัวเราอาเราได้้รูว่าเราเนี่ยคือตัวนั้นเราจะได้ละทิ้งไอ้ตัวนี้สัทีต่อไปพอเราละทิ้งตัวนี้เราไม่ยึดเอาไอ้ตัวเราเนี่ย ที่มันเปลี่ยนรูปร่างได้ไปแต่ละชาติแต่ละชาติเราก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นร่างใหม่ต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวเราไปไปเข้าท้องหมาท้องหมูท้องแมวท้องท้องสัตว์เดรัจฉานท้องเลือ้อยคานไปเป็นเข้าเป็นเป็ดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นตโลกอะไรเลือเ่อยเฉยไปเลยตันเนี้ยเพราะอะไรไม่เราไม่รู้จักตัวเราสักทีอ๋อค่ะอวิชาจบไปแล้วค่ะหนูถามทั้งสามคำค่ะ อ, อะไรก่ะอกุศลและกิเลต อกุศสนั่นก็คือเดี๋ยวคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเนี่ยอักุศสแต่อกุศสนอกุศสนไม่ได้ไปกิเลสเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาการของจิตมันเป็นอาการของจิตมันเป็นสังขารขันในขันห้าในสังขารในขันห้ามีทั้งกุสสอกุสสอ์เดี๋ยวก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างอะไรเนี่ยมันก็เป็นกุศสอกุสสน์แต่มันมันไม่เป็นไรเหรอคะอกุสสน์อักุสสน์ถ้าไม่มีใครหลงตามมันไปมันก็ดับไปเองมันเกิดเองก็ดับเอง อากสศเนะี่ยมันก็ก็แบบแบบมันก็เกิดขึ้นมาไม่มีใครคิดตามไม่มีใครหลงตามมันไปก็ไม่มีอะไรคิดดีมากคิดไปดีมากอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครหลงตามมันไปก็ไม่มีทุกข์ทั่วไปกับตัวเองและผู้อื่นมันเกิดแล้วก็ดับไปเป็นกิริยาการของจิตแต่ไม่ไม่ได้ทําให้ ก็เอถ้าไม่มีโกรธลงตามไปก็ไม่ได้เป็นกิเลสอะไร<ม>กิเลสต้องเกิดจากการเข้าไปยึดถึงจะเป็นกิเลสกูศลนักกุศลเป็นเพียงกิริยาการแต่ไม่ได้เป็นกิเลสพระอรหันต์เนี่ยที่เขถามว่ามีโกรธไหมเราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอรหันต์มาหลายท่านเราโดนเองอะปี๊ดเวลาท่านของขึ้นเองอะเวลาปี๊ดมาได้โดนโดนทัตตะวาดที่โดนท่านดุที่โอ้โหทําไมโกรธมโหเลยโมโ ห, โ ห, โหโ แต่ท่านไม่มีว่าเกลียดเนี่ยไม่ได้เกลียดไอ้บูกใจเจ็บอะค่าพยจ้าบาดอะไรฮะโมโหโมโหก็อยากอยากให้ได้ดีอะไรอย่างได้ดีเี้ยอย่างที่ลูกตามหาบวบมันมนะ่าโมโหนักทำของพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่ามันไม่สนใจเนี่ยโมโหอะไรโมโหแต่มันไม่ได้เป็นกิเลสเพราะไม่มีคนยึดแล้วก็แล้วไปแสดงว่ากิเลสเนี่ยคือการยึด ต้องต้องยึดติดจะเป็กิเลสไม่ยึดไม่เป็นกิเลสแล้วความชั่วคือกิเลสยังสมมุติว่าอ่ะอันนี้หลวงตาบอกว่ากิเลสคือการยึดสมมุติเราข่ายุง่งละเนี่ยเนี่ยคืออะไรอ อ, อันนี้คือกิเลสพาไปหรือให้เราลงลงมือกระทําก็มีการยึดแล้ว เราไปตีมันทำไมอ่ะเราไปฆ่ามันทําไมเราไปฆ่ามันเพราะอะไรนุยกสื้ออย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่เราไปฆ่ามันมันต้องมีอะไรก็ลาคาญเออก็อย่างไงเพราะชังอ่ะก็เป็นกิเลสพอรักก็เป็นกิเลสไม่ใช่ฆ่าเป็นกิเลสแต่รักเราเห็นสวยๆเราอยากได้เรามาเลี้ยงอยากได้เข้ามาก็เป็นกิเลสไยกิเลสคือดูดดูดเข้ามาหาเราอยากได้มาเป็นของเราเป็นกิเลส แต่ถ้าเขามีอยู่เนี่ยในห้องเนี้โอยผู้หญิงสวยก็นั่งเยอะแยเลยผู้ชายหล่อก็นั่งได้เยอะแยะเลยแต่พระพุทธเจ้าตัดพระนนว่าผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อในโลกนี้ไม่ได้เป็นกิเลสตาหากเนี่ยเราไม่เอาใจเข้าไปพัวพันเกาะเกี่ยวเขาเนี่ยไม่เป็นกิเลสฉนั้นความสวยอะ่ะความหล่อในโลกนี้ไม่ได้เป็นกิเลสสาหรับใครเออเหมือนกันอะ่ะในโลกนี้มีพุทธเมี สวยหล่อเต็มเลยบรรลุอรหันต์ไม่ได้นะผู้หญิงสวยวิชายหล่อเต็มไปหมดเลยเนี่ยบรรลุอรหันต์ไม่ได้เพอาะนั้นความสวยความหล่อมีอยู่แต่ไม่มีแต่ท่านไม่มีเอาใจไปผูกพันกับท่านไม่ได้มีกิเลสอะไรกิเลสต้องมีการยึดนะคือยึดเข้าไปยึดให้เกิดความรักความชังเพื่จะเป็นกิเลสไม่มีความยึดเนี่ยเป็นกิเลสดังนั้นเวลาเป็นพระอรหันต์บรรลุอรหันต์นะไม่ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นที่ผมว่าเหลืองโกนหัวนะ คนทั่วไปทั้งหลายอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพอสิ้นยึดเนี่ยคือสิ้นยึดก็คือสิ้นกิเลสเลยคือไม่เข้าไปยึดไอ้ยไม่ไม่ดูดสิ้นดูดสิ้นผักสิ้นดูดสิ้นผักผก็ไม่เป็นกนก็ไม่เป็นกิ เ, นนเลสก็เบรรลุนิพพานไปถ้าไม่ชอบใจต้องผักอยากผักอยากดา่าอยากว่าอยากตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายเขาเพราะไม่ชอบใจนั่นคือมันเกิดการไม่ชอบใจคืออยากอยากด่าอยากว่าอยากอยากทําร้ายอยากผักใส่แต่ถ้า ชอบใจอยากดูดเข้ามาอันนั้นไปกินเละหมดเลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในใจแป๊บๆขึ้นมาปุ๊บเรารู้ตัวทันเรากระทืบกะทืบมันดับได้เออเพราะว่ามันยังตัวเล็กเกี่ยเนี่ยก็เรียกว่าตันหาตันหาคือพอมันเริ่มจะดูดเริ่มจะผักขึ้นมาในใจพอเรารู้ตัวทันเรากระทืบกระทืบมันอะมันดับได้เพราะว่ามันยังไม่มีกําลังมากแต่ถ้าเป็นอุปทานเนี่ยตัวมันใหญ่แล้วคือ มันเป็นกิเลสซะจนกับว่าบีบคั้นจิตใจเราจนทนไม่ได้แล้วอันเนี้ยเราต้องทนไม่ได้ต้องแพ้นแน่นอนมันกระทืบเราแบบแล้วอย่างเช่นอ่ะเราไปเห็นกระเป๋าสวยๆเดินไปอ้าวตะลิ้ช้าไอ้กระเป๋าถือที่สวยเราก็เดินผ่านแบบไปดูหน่อย <laughs> เดินผ่านแบบไปดูหน่อยหนึ่งแต่แล้วก็ขึ้นไปถึงจัตุร์แล้วไปดูปดูไปดูนี่แต่ใจมันก็นึกถึงไอ้กระเป๋าถือ ไอ้น่นแะไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ป็นไรมันก็เป็นตันหาอยู่ไปดูแอบบเป็นเป็นตันหาอยู่แต่ก็ยังนึกถึงมันอยู่เริ่มเริ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่แล้วก็เขาก็มาบอกเราอะอาจารย์โอ้โหหนูเนี่ยจัดจ้านเลยนะหนูเอาชนะมันได้เลยเนี่ยหนูไปดูแล้วเนี่ยหนูเดินไปทุกชั้นนี่ยหนูก็คิดถึงมันอยู่กระเป๋าเนี่ยแต่หนูไม่ไปซื้ออแล้วกลับบ้านมาไม่เปล่า วันที่สอมากระเป๋าติดกระเป๋าติดมือมาแล้วกระเป๋าติดมือมาเฉยเลยอ้าวอาจารย์กระเป๋ามันติดมือหนูมาซะแล้วทําไมอ่ะเขาบอกวันนี้ลดราคาเป็นวันสุดท้ายหนูกลัวว่าจะไม่ได้หนูกลับไปดูอีกทีเดีว่าติดมือหนูมาเลยนไหอุปทานมโตขึ้นเรื่อยๆมาจากตันหานี่แน่เราไม่รู้ต้องทันมันเนี่ย แล้วกลับไปดูวันที่ก็เสร็จนั่พอกลับไปดูมันก็บอกว่าวันนี้วันลดราคาวันสุดท้ายติดมือหนูมาเลยเห็นไหมเนี่ยถ้ามีตัณหาดับได้ดับแล้วแต่ตัณหาุู้ต้องันกระทืบกระทืบ ม, มันอยู่เรื่อยๆเลยมันก็หมดกําลังไปแต่ถ้าเป็นเราปล่อยให้มั น, น่โตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นอุปทานแล้วสุดท้ายเราก็สู้มันไม่ได้สุดท้ายก็ไปซื่นใหม่ไปเนี่ย นี่เนี่ยตระหนัอุทาหรมันต่างกันตรงนี้เนี่ยเราต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมอย่าปล่อยว่าพอมันคิดแล้วเราก็ถึงสิ่งที่มันเป็นอคุศสนเราก็เอื้อยเอื้อยขอเอื้อยหน่อยเอื้อยอนี่กับมะกลามมันเป็นอุปทานไปเปล่นี่ยทนไม่ได้เลเนี่ยทนไม่ได้ต้องรีบตัดไปแต่ต้นลมเพ่อ กิเลสนเกิดขึ้นในใจเนี่ยเอื้อยไม่ได้นะกิเลสนี่เอื้อยไม่ได้นะเขเกิดในใจแล้วก็บอกว่าดูอยู่เฉยๆอย่าเลยเดี๋ยวมันเป็นอุปทานสู้ไม่ไหวแล้วแต่าาคุณนอนถ้าจะคุณนอเนี่ยทหารากลางกรุงที่ท่านเายอมรับกันว่าเป็นผาหานกลางกรุงเนี่ยท่านใจกับว่าถ้ากิเลสเป็นเกิดขึ้นในใจเนี่ยต้องเก็ดอิ o เอาเล็ดอิกเลยเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ let out, get it, เล็ดอิดเอาก็อ้อะไรนะไอ้เล็ดอิดเอาเก็ดอโกเนี่ยอะไรเนี่ยมั น, มนแปลว่าอะไรจ๊ ก็เตะมันก็เด yeah. ินเลยเตะมันก็เด็นเลยมันเกิดขึああ้นเตะมันก็เด็นเลยกระทึบกระทึกมันลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าแปลจริงแปลว่าอะไรหรอกบอกเตะมันได้เลยเกิดขึ้นกับเตะมันก็เด็นเลยว่าอย่ายำโมดูมันอยู่เฉยไม่อได้กินมันหรอมันมันเอาตายไอ้กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดูมันอยู่เฉยรู้มันเฉยมันเอาตายมันเกิดขึ้นต้องจัดการเลยพั่วเออกยขึ้นกิเลสเกิดขึ้นพวกรูจพอบ่อยๆเขากระชนาได้ เรื่องชนะกิเลสเนี่ยคือสมมติว่าเราเราเห็นกิเลสเนี่ยครับแล้วเราก็คิดว่าเราเราจะชนะมันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเตะไปด้วยด้วยกําลังคําว่าสมาธิหรือสติเรานี้ไม่มากพอในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการปรุงคือสังขารขึ้นมาเพื่อจะไปลบอกิเลสหรือความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นเราก็ซ้อนการปรุงแต่งขึ้นอีกอันเนี้ย มันมันถูกต้องไหมครับถูก้ไดเพได้ว่าใช้ใช้สังขารเพื่อละกิเลสสังขารอันนั้นอีกใช้สังขารเพื่อละกิเลสได้ใช้ทุกวิธีทางไม่จํากัดวิธีเออไม่จากัดวิธีนะเพื่อกําจัดกิเลสในขณะปัจจุบันทันทีไม่จํากัดวิธีก็เรียกว่าไล่กระบวนท่าคือสุดยอดกระบวนท่าเอ่อยืมกำลังภายในก็มาพูดหน่อยไม่จํากัดวิธีออย่าไปไปสร้างกิเลสตัวใหม่แล้วกันอย่าไปสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ตนเองแล้วผู้อื่น คือไม่จำกัดกระบวนท่าท้ากิเลสที่เกิดขึ้นมานั้นไม่จำกัดวิธีเลยเอ่อลายกระบวนท่าคือสุดยอดกระบวนท่าแต่อย่าไปสร้างกิเลส ต, ตัวใหม่มาแล้วกันคือสร้างกิเลสตัวใหม่มาทับกิเลสตัวเก่าเพราะเก่งว่าเราเราไปปรุงแต่งมันเอาเราก็กลับไปเป็นสังขารอีก อ, อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สังขารเพื่อล่ากิเลสอันนั้นสังขารใช่ให้สังขารจะเป็นประโยชน์เออสังขารเพื่อเป็นประโยชน์คือสังขารเพื่อล่าสังขารที่เป็นกิเลสพระเจ้าตรัสอนุญาตด้วยนะเพราะว่า ต้องใช้สังขารคือสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสังขารนะสติสมาธิปัญญาเป็นสังขารในขันธ์ห้าเธอจงใช้สติสมาธิปัญญาเนี่ยซึ่งเป็นสังขารเนี่ยนะใช้สังขารด้วยในขันน้เป็นเรือข้ามฝากอืมไปพระนิพพานใช้เรือใช้ด้วยให้ใช้ด้วยเป็นเรือข้ามฟากไปพระนิพพานต้องใช้สังขารเพื่อละสังขารที่เป็นกิเลสละสังขารละลงสังขารละสังขารไปวางสังขารทั้งหมดคือกันหน้า ใช้สังขารเพื่อปล่อยวางสังขารคือขันห้าแม้แต่ขันห้าไม่เป็นไม่เป็นกิเลสแต่ก็ถ้าใช้สังขารเพื่อปล่อยวางขันห้าซึ่งเป็นสังขารที่ไม่ได้เป็นกิเลสใช้สังขารเพื่อละสังขารแต่ถ้าเป็นกิเลสยิ่งต้องใช้สังขารจัดการกับมันเลยไล่กระบวน่านะเมื่อไรเกิดขึ้นในใจพกไลก่กระบวน่าเลยเได้ั้มล่ะมไม่จำกัดหน้าว่าหนูยังเป็นสาวอยู่ไม่ได้ <laughs> เออเออไม่จำกัดนะหนูยังเป็นสาวอยู่เงไม่กิเลสเกิดขึ้นมันไม่ว่าหนุ่มสาวแเราพอมันเกิดขึ้นก็นนใช้ไลฟ์กระบวนท่าเลยหาใจเราสงบใจได้สงบใจกิเลสใจได้ได